กุศลาักกุ ขอมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนติการได้เจริญกุศลกันทีนี้ถ้าหากไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็ลอกว่าศีละนะเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าอะไรชื่อว่าศีลอะไรชื่อว่าศีลลักษณะของศีลคืออะไรลักษณะของศีลคืออะไร ลักษณะของศีลที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือว่าศีลนั้นก็คือทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายใช่ไหมไม่เกลื่อนกล่นไปว่าแบบฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติต่อแม่ปฏิบัติต่อพ่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตัวได้เหมาะสมใช่ไหมแล้วก็เมื่อท่านลงรับทํากิจเนี่ยก็ณนีในขณะที่เราปฏิบัติอย่างเนี้ยแต่ถ้าจิตที่เป็นไปกุศลแล้วน้อมอมาแล้วน้อมมาแล้ว เราปฏิบัติอย่างนั้นเนะ่เพราะเราเห็นคุณของแม่ใช่ไหมเพื่อเราทำอย่างนี้เป็นบุญไหมเป็นบุญใช่ไหมเราได้เป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะบุญใช่มเพราะบุญของเราใช่ไหมฉะนั้นเราตอบแทนคุณของแม่ชื่อว่าตอบแทนคุณของบุญด้วยฉะนั้นคำว่ากตัญญูเนี่ยนะคือรู้คุณของแม่แล้วก็รู้คุณของบุญ ตาเวทีคือตอบคุณของแม่และตอบคุณของบุญที่ทำให้เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำบุญในปัจจุบันโดยการประพฤติปฏิบัติตอบแทนเนี่ยเราชื่อว่าคนลืมลืมคุณของแม่ลืมคุณของบุญที่ทำให้เราได้มีอัตภาพในการเป็นมนุษย์ฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติกันในปัจจุบันเนี่ยนะ ปฏิบัติในปัจจุบันเนี่ข้อวัี่ปฏิบัติอยู่นั้ น, นะกาลังปฏิบัติทางกายนั้นเป็นกายกรรมที่เป็นศีลพูดกับแม่ก็พูดยังไงแม่กินข้าวหรือยังครับแต่แม่กินข้าวยังเอาวิจีกรรมเป็นศีลไหมพอพูดด้วยโทสะพูดด้วยความโลภเห็นแม่แต่ง ต, ตัวสวยแม่สวยมากแต่ตด้วยความโลภเป็นศีลไหมไม่เป็นอีกใช่ไหม พูดด้วยความโกโรธก็ไม่เป็นพูดด้วยความหลงก็ไม่เป็นเพราะั้นวาจีกรรมถ้าคุยกับแม่ให้เป็นศีลก็คือคุยแม่โอ้แต่งตัวดีจังแม่สวดมนต์หรือยงน้อมเลยนะถ้าน้อมบุญตลอดเนะี่ยอย่างนี้วาจีกรรมเป็นศีลไหมเป็นเจตนาศีลเป็นเจตนาศีลไม่ทำกายและวาจใายเคลื่อนไหวคิดอยู่ในใจคิดอยู่ในใจว่าเราจะต้องปฏิบัติกับแม่อย่างนั้นอย่างนี้เส็จ แล้วก็มองแม่ด้วยด้ว ย, วยจิตที่เป็นกุศลอันนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นศีล อ, อะไรแต่นี้ทีนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยทำได้ไหมทํำกายกรรมที่เป็นศีลได้ไหมแต่เนี้ยนะทำกายกรรมที่เป็นศีลได้ไทาวิจีกรรมที่เป็นศีลได้ไหมทำมโนกรรมที่เป็นศีลได้นั้นปฏิบัติต่อกันเนี่ยฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติต่อกันเนี่ยนะ ดูแลกันด้วยกายหยิบยื่นประโยชน์ให้แก่กันและกันในขณะนั้นเจตนาก็เป็นไปกุศลนี่เนอะอันนี้เขาเราียกเจตนาที่เป็นศีลชักชวนกันมาเออเนยมานั่งฟังทำมาแรงต่างๆไมนี่เจตนาที่เป็นไปวกวัตถกรรมที่เป็นศีลไม่ทํากายวาจาให้เคลื่อนไหวไปแต่พิจารณาต่างๆเออเราจะปฏิบัติอะไรกับเพื่อนปฏิบัติอะไรกับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะทํากิจใ ด, ดๆต่างๆเดี๋ยวเราจะต้องไป ปัดกวาดเช็ดถูที่นั่งตรงนี้ทําให้เพื่อนให้อะไรต่างๆเขาจะได้ฟังทำสะดวกสบายอันนี้มโนกรรมที่เป็นศีลเอาแล้วเห็นไหมนี่ย้อนหน่อยตัวเนี้ยพอพูดตรงนี้ก็ย้อนกายกรรมที่เป็นทานกายนะแล้วจะย้อนกายกรรมที่เป็นทานแล้วก็กายกรรมที่เป็นศีลเดี๋ยวจะแยกให้ดูว่าเขาแยกกันยังไงเอากายกรรมที่เป็นทานก่อนเนะาะแต่น้อมกลับไปปุ๊บ เห็นผ้าพื้นหนึ่งตรงเนี้ยเราเรียนจากอาจารย์มาแล้วจะ ไ, ไม่เรื่องทา น, นยังเมื่อเช้านะ้ถามคงตอบได้แล้วปฏิบัติได้นะพ <c oughs> ออยู่ต่อหน้ากว่าอาจารย์ตอบไม่ได้น่ากลัวกันหนึ่ง <c oughs> อะไรเรียนอะไรกันมาตอบไม่ได้เลยอันใดผ้าสีทองสมมุตินี้เป็นสีทองอยู่ไหมพอเห็นเป็นสีทองเนี่ย เราคิดถึงว่าพระชวลีวันของพระบรมศาสดามีสีเหมือนทองใช่ไหมอยากขน้นเลยเราจะนําสีทองนี่บูชาห่มพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระเจ้าโดยการไปห่มพระเจดีย์หรือพระผู้มีพระเจ้าในปางปฐมปเทศนาอะไรเป็นต้นพอพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นในการพิจารณาแล้วไหนี้ที่ไปเจไปบูชา ใจไปปูชาเพราะสัมมาสัสมพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นยังไม่ทำกายกรรมและวาจีกรรมให้เคลื่อนไหวเป็นอะไรคิดทั้งใจใช่ไมอันนี้เป็นมโนมโนโกรรมที่เป็นอะไรเป็นกุศลประเภทไหนทานกุศลศีลกุศลภาวนานกุศลทานกุศลปารบอะไรปารบผ้าตามพระวินัยเขาเรียกว่าผ้าใช่ไหะตามพระวินัยอะผ้าเครื่องนุ่งหม่มใช่ไหม ถ้าตามพระสูตรก็คือผ้านั่นเองใช่ไหมถ้าตามพระวิธรรมปารลบอะไรปรลบสีก่อนใช่ไหมเมื่อปารพสีเป็นประธานเสียงกลินรสโอชาออผู้เสียงกลิ่นรสแล้วก็ทำอารมณ์ใช่ไหมผัวทพะแล้วอารมณ์เป็นอะไรเป็นบริวารไป บางคนก็ปรารภเสียงบางคนก็ปรารภอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราจะปรารภสีเราจะเอาสีทองผ่องอัมภัยที่งามพระชวีวันของพระบรมศ า, ศาสดาก็มีสีดังทองคําเราก็จะนําผ้าสีทองคํานี้ไปบูชาพระบรมศาสดาในการเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาคิดในใจอย่างนี้มโนกรรมเป็นเป็นทานาโกศลพอพูดเสรเสร็จก็หยิบผ้า แล้วกับกำลังเดินไปบะนมมือเป็นอะไรเป็นอะไรกยายกรรมที่เป็นอะไรเป็นทานกุศลบอกท่านทั้งหลายไปร่วมกันห่มผ้าไปร่วมกันบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้เรามีผ้าสีทองพองอัมภัยท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเลย ไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเอาสีเป็นบาทานเอาเสียงกลิ่นรสผดพ้ะธำมมาลมเป็นบริวารตามพระวินไยก็คือเนี่ยเครื่องนองโฮมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระโสดก็คือผ้าเนี่ยตามผ้าพิธรรมก็คือเอาสีบูชาเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโผดพ้ะเอาทำมารมมาบูชาอันนี้เป็นอามิสบูชาเพื่อจะเกื้อหนุนทำมบูชาให้เกิดขึ้นในกระแสใจของเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายตามเรามา อันนี้วัจีกรรมเป็นไรเป็นทานกุศลพอไปถึงเบสเส็จเอา่านทั้งหลายก่อนที่จะครมประทักสินสวดอิตีปีโสพระกวาเป็นไงเนี่ยวัจีกรรมเป็นไรเป็นทานกุศลดูตรงไหนว่าวัจีกรรมจะเป็นทานกุศลหรือไม่เป็นทานกุศลดูตรงใจเนี่ยเป็นกุศลไหมใจที่เป็นกุศลขับเคลื่อนกายให้เคลื่อนไหวกายกรรมที่เป็นทานกุศล ใจที่เป็นกุศลขับเคลื่อนวาจาออกมาอันวจีกรรมที่เป็นทานกุศลถ้าอยู่เฉยๆไม่ทํากายและวาจา์เคลื่อนไหวคิดนึกในใจเนอะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีผ้าด้วยผ้าผืนนี้เป็นมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเข้าใจอย่างเดียนี้นี่จะเชื่อมโยงกับหาศีลถามว่าตอนนี้การปฏิบัติเดินหรือยังเอ็นเดินแล้วใช่ไหมกําลังไหลในกะระแสใจแล้วใครไม่ไหลใครง่วง ออาถามในอดีตคิดอย่างนี้ไหมให้ควรแบบนี้ไหมเราก็เลยไม่ได้ทานได้ศีลใช่ไหมแล้วที่งนี้พอหยุดปฏิบัติธรรมกับบ้านอาบานไปป า, าปกใครพวกกับับกันเป็นแถวไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้ อ, า อ, า อ, า อ, าอ้าวเขาจเรย่มมอดนานนะอาบนมาปากคำฮิตที่สุดแล้วฮิตมากจะพดอี่ฮิตคำนี้เลย โอได้บุญมากเยอดี๋ยวมาถ้าใครมาบอกได้บุญมากบอกก็มาจะบอกบอกเนี้ยเขาดูหน้าก่อนแล้วก็ขอถามหน่อยที่ว่าได้บุญได้บุญยังไงซักเลยใช่ไหมถามไม่ทําอะไรมาแต่ที่ต้องถามก่อนนะบอกไม่ค่อยไว้ใจถามเเพราะเดี๋ยวนี้คนไปเข้าใจบาปเป็นบุญบุญเป็นบาปกันเยอะใช่ไหมบอกขอถามหน่อยเถอะไปทำอะไรมา ถามเลยนะสักอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปไหว้ว่าเ ย, ยดีมั่นเอาอะไรไปไหว้เอาผ้าไปห่มค่มแล้วคุณทำยังไงโอ้โหไปสวดมนต์ตอนนั้นใจคุณเป็นยังไง <laughs> เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลตาถามอย่างนี้ได้ไหมถ้าถามอย่างนี้เอาจริงควรถามไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปโมทนาโรผ้าก็าทำไงเยรา่อะไรเขาก็ไม่รู้อะไปมดหมคําว่ายุ่งเลย ตรงนี้ยังไงมเนี่ยเป็นทา น, นากุศลทางกายทางวาจาและทางใจแล้วไปคิดมุมอื่นอีกได้เยอะั้มได้เยอะเลยใช่มเสียงก็ได้กลิ่นก็ได้รสก็ได้ผพ้ภาพะก็ได้ธรรมารมก็บูชาเลยเอาโอชาทั้งหลายไงใช่ไหมอโอชาทั้งหลายหรือพระธรรมที่เกิดขึ้นจากการระลึกก็ได้เป็นธรรมะเลยน น, น, น, น, นึเป็นสภาวะธรรมไปเลย ทีนี้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่การที่เราจะเข้าใจมุมมองในการที่จะการคิดศีลเป็นหรือไม่ฉะนั้นคนที่เขาฉลาดในการเจริญกุศลเนี่ยปริมาณของบุญกุศลมันมีปริมาณในการเกิดขึ้นมากฉนั้นกุศลศีลก็จึงหนาแ น, น่นได้ในทุกๆอารมณ์ถ้าเรามองอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วไม่เป็นอารมณ์ปัจจัยเกื้อนหนุนต่อกุศลศีลในกระแสะใจของคุณเลยเนี่ยแล้วไหนคือคนมีศีลแล้วไหนศีลเดินไหนเขาเรียกเจริญศีล แล้วอบรมกายยังไงเอ่อถ้าเราไปเจอในพระสูตรในคําสอนเนะี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาถามยังแค่นี้ตีบตันแล้วชาวพุทธอ่ะอบรมกายทํำยังไงไม่อยากเลยก็เข้าห้องอบพี่อย่างนี้จะไหมเราไปคิดงันหรือว่าอบรมกายเป็นชื่อของเนี่ยข้อวัดที่บอกมาสักคู่นึงเช่นเราปฏิบัติในทิศ ท, ทั้งหกในคารวะถ้าพระก็คือขันทกาวัดและมหาวัดเนี่ยข้อวัดที่ปฏิบัติกันเยอะแยะ มีเสกขียยาวาัตเป็นตัวเลยนี้ด้วยรวมเบ็ดเศษอีกเยอะเลยใช่ไหมเหมือนอย่างเช่นพระเนี่ยนะอพระยือนอยู่เนี่ยไม่แสดงธรรมแก่บคุคคลพูดนั่งอยู่เนี่ยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านก็รู้ข้อวัด น, นั้นใช่ไหมว่าท่านจะผิดศีลท่า น, นก็ไม่ทําอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ก็ท่านก็เสียศีลท่านไเลยทีนี้น ในรายละเอียดตัวนี้ตัวใครก็ตัวใครต้องศึกษาไหมต้องศึกษาเราเป็นอุบาสกบาสิกาก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติของอุบาสกบาสิกาอามาก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติของพระถ้าถ้าแต่และบุคคลไม่ศึกษาข้อปฏิบัตินั่นเองแล้วจะไปได้กุศลไหมกุศลก็จะไม่ค่อยเดินแล้วฉะนั้นตรงนี้ก็นี่คือในรายละเอียดนี้ทานเข้าใจแล้วนะต่อมาขึ้นชั้นศีล ทำยังไงกรณีที่จะไปไปกรณีอย่งการเป็นศีลเนี่ยจะทํายังไงดีเออในชั้นคําสอนเขาบอกว่าไอ้คําว่ามโนโปุพังกามาธรรมามโนเศรษฐามโนเยมายาเป็นตัวเนี่ยสภาพธรรมคือเจตสิกมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าเนาะฉะนั้นกรณีที่เราจะเจริญกุศลเนี่ยถ้าจะเป็นในชั้นของกุศลศรีล นะในชั้นของกุศลศีลฉะนั้นต้องบอกว่าทานทานาไมเนี่ยนะชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการให้ทานสีระไมก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลภาวนาไมก็คือชาวนาจิตที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตนี่ผมจะพูดคร่าวๆในด้านตรงนี้ก่อนทีนี้ถ้าพูดถึงในลักษณะบอกว่าการที่เราจะเจริญกุศลให้เป็นทานให้เป็นสีให้เป็นภาวนาต่างๆนี้ตรงนี้เราพูดถึงในเรื่องของทานจบไปแล้วทีนี้ศีลน่ะ กายกรรมในขณะที่รับวัตถุเช่นเรารับผ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะที่จะไปบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเนะด้วยมือของตนเองเนี่ยของตนน่ะเราพิจารณาบอกว่าตระกูลของเราอาพุทธบริษัทเนี่ยเมื่อเขามีผ้ามีข้าวมีน้ำมีของหอมเป็นต้นเหล่านี้ตระกูลหรือวงตระกูลของบริษัทสี่เนี่ย วงนี่นะการประพฤติปฏิบัติตามเชือ้อตามตระกูลพวกตนเองเนี่ยเขาจะต้องมีการบูชาพระเจ้าไหมพระอานนท์เนี่ยตอนที่พระศ า, าสดาปรินิพพานแล้วพระอานนท์นั้นนี่ยยังตั้งน้ําฉันน้ําใช้บูชาพระบรมศาสดาไหมบูชาพระอานนท์นี่นะปูอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้แล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลา ฉันพัฒหารแล้วข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเวลานี้เป็นเวลาล้างพระบาศข้าแต่ว่าพระองค์ผู้จเจริญเวลานี้เป็นเวลาสงบรวจรากายเป็นต้นนี้ไหมแม้ผ่านนนเองก็ยังบูชาพระบรมสาสดาแม้ปรินิพานไปแล้วตอนนั้นที่ท่านกลับจากกุศินารไงตอนที่พระบรมศาสดาสเสด็จ ด, ดับขันธปนิพานอยู่ไหมพอหลังจากประชุมเพลิงพระบรมศาสด า, สดาเสร็จ ผูบานนนก็เศร้าโศกบ น, นนก็เดินทางจากกุสินาราไปสาวัตถีนะกุสินาราไปสาวัถีปัจจุบันนี้ก็ประมาณ400กิโลทีนี้เอาละว่าคนในวันที่พระาศาสดาสเสด็จดับกันในพระนิพพานเนี่ยเราคิดว่ามีพยากรไปเยอะไหมยเยอะไม่เยอะข่าวก่อนที่พระบรมศาสด า, สดาจะสเสด็จดับกันในพระนิพพานเนี่ยมีการแจ้งข่าวก่อนประมาณกี่เดือน สเดือนทีนี้ในวันที่พระบรมศาสดาจะไปแสดงยมมกราปฏิหารตอนที่พรรษาที่หกที่จาริกอยากกรุงราชคลีที่ไปแสดงที่แดนยมกที่สาวัตถีเนี่ยนะอันนั้นก็สี่เดือนมีการประชาสัมพันธ์บอกก่อนว่าพระบรมศาสดาจะไปแสดงยมมากราปฏิหารที่ใกล้กรุงสาวัตถีใช่ไหมอันนี้ก็ประกาศวันนั้นขนาดประกาศก่อนนี่นะคนไปร่วมชุมนุมกันในครั้งนั้นเฉพาะนับที่บรรลุธรรมนะสองร้อยล้าน อาบัลลูทำในครั้งนั้นนะะคําว่าปฏิหารนี่เป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสนะปฏิหารที่เป็นแสดงปฏิหารมีอิทธิปฏิหาริยะอาเทศนาและอนุสาสนีเห็นไหมคนได้บรรลุกันสองร้อยล้านอาลองคิดดูที่ว่าแล้วต่อมาภาษาสดาแสดงธรรมนี่เริ่มตั้งแต่ภาษาแรกเนี่สัตว์ได้บรรลุกันเยอะมากเลยนับไม่ได้มนุษย์นี่ก็นับไม่ได้นะฮะ ถ้าเรามองอย่างนี้ที่มองที่ได้กล่าวบ่อยๆในสาวัตถีในกรุงราชคลื่นเนี่ยมีประชากรอยู่ร้อยแปดสิบล้านใช่ไหมประชากรเนี่ยในตัวเมืองเนี่ยเก้าสิบล้านแล้วก็ในนอกเมืองอีกเก้าสิบล้านเป็นร้อยร้อยแปดสิบล้านแต่ในสาวัตถีนั้นตามคําสอนเนี่ยจะกล่าวไวเ้เฉพาะในตัวเมืองคือมีเจ็ดสิบล้านได้บรรลุธรรมจะห้าสิบล้านเป็นผ้าริยะ นั่ น, นะตัวเฉพาะตัวตัวเมืองหลวงอ่ะสาวถีอ่ะมีพระอริยะบุคคลห้าสิบล้านที่ไม่ได้บรรลุสคยี่สิบล้านเคยสงสัยไหมยี่สิบล้านเป็นเราหรือเปล่า <S <S นี่นะถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขาบรรลุกันเยอะจริงๆใช่จร ง, จรงมะนั่นแะได้บรรลุพระศาสดาจำรรษาอยู่สิบห้าษาแล้วก็ปุกพาลามอีกเท่าไหร่แปสิบเก้ากับหกเป็นยี่สบ้าษา ิบ้าษอยู่สาวัตฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ทิวาจาฤกจา ก, าจากจากเวสาลีที่จะไปป ร, รินิพานที่กุสีนราประกาศไปสามเดือนทีนี้ในการประกาศไปสามเดือนที่พระศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เถรป ร, ริณิพานเนี่ยขนาดที่จะไปแสดงยม ก, กบปาริหารเนี่ยสัตว์ไปกันขนาด น, นั้นแล้ววันนั้นคิดว่าพวกเบริษัทจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศไหม คิดว่าในสาวถีมีพระยะทั้งห้าสิบประล้านะคิดว่าก็จะมากันไหมและในกรุงราชคลึ้ไม่ได้นับในเวสาลีไม่ได้นับในภัยสาลีนี่เป็นต้นเม้นับแคว้นวัชิีทั้งแควน้นใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่ได้นับกรุงราชคลึล้ไม่ได้นับนิโครทารามกรุงกระบิลพัทก็ไม่ได้นับอีกเยอะหมดที่พระศาสดาประวดาะหให้กับประชาด้วยเวไสยศาสตร์ให้บาลูทมคิดว่าเขาจะหลังไหลามาแดนบริณีพานไหม ท่านกล่าวไว้ในชั้นของคําสอนนะถ้าที่เป็นสังกะเถระที่เป็นพระเถระนี่เนี่ยเป็นหัวหน้านํามาเนี่ยเจ็ดแสนลูกนี่เม่แต่พระเถระหนึ่งลูกไม่รู้ว่ามีสิบสติหาริกเท่าไหร่แล้วจําจนวนเท่าไหร่นับออกไหมเนี่ยนับได้ไหมไม่นับพิกษุนีไม่นับอุบาสกและบาสิกาในวันนั้นนั่งคืนมหาชนจะมหือมาไหมถ้าในชั้นของในมหาบริญพานสูตรในชั้นอาจาัจฉริยะในชั้นของดีกาเนี่ย เข้าบริเวณนั้นเน่ะยี่สิบห้าโยดเป็นปริมวลทนประชาสเ อ, อเวนยชนเนี่ยหลังหลายเต็มหมดยีด่สิบห้าโยดโยดหนึ่งสิบหกิโลเมตรหนึ่งคุณภาคภาษาลองลองลองลอ ง, ลอ ง, ล, องลองคํานวณดูทีเยอะไหมมืดฟ้ามัวดินถึงพไปเจ้าแล้วแต่พระองค์จะทรงกําหนด ถ้าพระ อ, องค์จะกําหนดเสียงนี้ให้จดขอบจักรวาลพระสุรเสียงของพระศาสดาก็กําหนดได้เนี่ยคือคือความที่พระศาสดาเป็นแบบเนี้ยถ้ามาพูดตรงนี้หลา ย, ลายๆท่านอาจจะมาว่าเอ๊ะทําไมถึงถึงอย่างนีน้ยกตัวอย่างนะว่าถ้าพระศาสดาจะแสดงธรรมให้คนห้าคนฟังเรานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ยินได้ยินแค่ห้าคนเท่านั้นนี่คือพุทธิยาวถ้าพระ อ, องค์จะกําหนดให้ใครฟังเอาอะไรมากั้นเนี่ยก็กั้นไม่อยู่ แล้วตอนนั้นใครมากั้นเราถึงไม่ได้ยินว่าสือเสียงเฮ้ไปเอาทำไมไม่ได้ยินกลัวจะเป็นเป็นทากใช่ไหมเป็นปูเนี่ยฟังฟังเสียงไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้ไงเน้ารามองอย่างนี้เราคิดดูดิว่าเขาสะเทือนสะทานกันหมด เขาบอกว่าพระปุรุชนที่มีความรักมีความศรัทธาในพระผู้มีพระเจ้ามากที่สุดไม่มีใครเกินพระเจ้าชาติสตรูพระเจ้าชาติสตรูเนี่ยอธมัดต้องปรึกษากันว่าจะบอกข่าวการบริมิพานของพระศ า, าสดาอย่างไรปรึกษากัน เ, นเสร็จก็ให้ตั้งรางเหล็กใส่น้ําหอมน้ําสมุนไพรเข้าไว้ สามลางเนะเพราะแล้วก็ไปทูลบอกว่าเอ อ, เออว่าข่าวนี้เป็นข่าวสะเทือนใจให้ท่านมหาบอพิษตั้งสติไว้ก็เอาไว้ใกล้ๆที่รางหลึงเพราะบอกว่าพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วโอ้โชักดิ้นสลบตรง น, นั้นเลยเนะต้องค่อยๆหามเข้าไปไว้ในลาง น้ำเดือดเนี่ยธมานัสเผาใจท่านนี่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเสลือมเะลือถามใหม่เบาะสลบสามครั้งไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยพรเบสเสร็จแล้วพระองค์ก็ใช้ใช้มือทบหน้าอกตัวเองแล้วก็นอนกลิ้งนอนกลิ้งพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำปีตุคาศฆ่าพ่อ แล้วพ่อเป็นพระอริยะคิดดูแล้วทุกใจมาทั้งชีวิตไปขออดโทษจากพระาศาสดาพระาศาสดาแสดงสามัผลสูตรได้อัธยาศัยตรงนั้นน่ะถ้าไม่ทําปีตุคาสพระเจ้าชาตูจะได้เป็นพระโสดาบันนั้นจึงจึงเป็นทั้งหมดในชีวิตของท่านไงว่าเป็นที่พึ่งแล้วท่านกับมอบ กายวาจาใจถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเนีนตอนที่กรีท่านพอรู้ข่าวท่านกรีทาทับไปจะไปเอาว่าผู้วิาพาคเจ้ามามามาไว้ที่เมืองท่านน่นถึงจะเป็นกระดูกเป็นบรมศพหรือเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ก็จะเอามาเพราะเป็นมหาอำนาจเนี่ยยกกีทาทับไปเดินไปทบออกไปร้องไห้กลิ้งไปกระดินด้วยบางทางบางตอ น, น, นคิดดูเดินทางอ่ะกว่าจะถึงน่ะ ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอดวันนะกรีทาทัพนี่จากกรุงราชคือไปส่วนฝ่ายทางมัลละนี่นะเขาก็ไม่ยอมนะก็ใช้ทหารถือหอกเป็นลูกกรงเนี่ยล้อมพระบรมสารีริกธาตุนะในวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยหลังจากเผาบรมศพแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ช้างใช้ใช้กระพองชนกันเนี่ย ล้อมไว้อีกชั้นแล้วประชาชนที่ไปเนี่ยเป็นกำแพงทั้งหมดก็ประกาศสู้เห็นไหมเนี่ยค่อยกลัวไหมจะกลัวได้ไงประชาชนก็เป็นพวกเขาแม้เทวดาพรมทั้งหลายก็ต้องอยู่ฝ่ายฝ่ายเขาอยู่แล้วพราพระพุทธเจ้ามาปริดิษฐานเมืองของท่านใช่ไหมก็ก็คิดทําศึกกันเนี่ยด้วยการแย่งพระบรมสาราาาาาีริกธาตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กอันนี้ก็ไปพิจารณานั่นคือความรักในพุทธเจ้า ในรายละเอียดนี้ไม่ต้องการจะไปเดินในเรื่องนั้นจ่ต้องการได้รู้ว่าในวันนั้นหลังจากนั้นก็คือมีการประชุมสงบทเสร็จพระอานอนท์ก็พร้อมด้วยสจตวิวิหารีก็เดินทางจากกุสินาราเพื่อไปสาวัตถีคิดดูนะวัดในกรุงราชคลึในยุคนั้นก็สิบแปดวัดก็ล้างในสาวัตถีไม่รู้กี่ร้อยวัดก็ล้างถ้าไปไหนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันบริีนิพพานหมดเลยอสมมุตินะ เอาแค่ okay, เรารู้คําสอนแค่นี้เป็นบุรตรชนแค่นี้ถ้ารู้ว่าพระศาสดาจะไปนิพพานจะเดินทางไปไมันไม่อยู่หรอกขนาดเป็นบุตรชนเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกก็ขนาดแค่เราเป็นบุุรชนถ้าเป็นผ้าริยานใจของท่านอยู่พระพุทธเจ้าบ้านเรือนล้างหมดแล้วคิดดูผ้า น, นอนไปเนี่ยเนะปีเป็นปีเนี่ยคนไปไปป่าวพระพุทธเจ้ายังไม่ขาดเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยที่ไปที่ปนิพพานเนี่ยแล้วจนถึงทุกวันเนี่ยเขไปเพื่อจะไป งั้นอย่าใครไปตอนนี้ต้องไปบอกไงข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระองค์ปริญนี้ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วข้าพเจ้าเพิ่งคิดออก เ, อเรื่องจริงไหมไปทีไรข้าพเจ้าไม่ได้มาซบศีรารเนี่ยใต้พระบาทของพระศ า, าสดาขอขมาพระศ า, าสดาว่าข้าพเจ้านี้ประมาทนะไม่รู้ไปทํำอะไรอยู่ลม่มหายใจก็จะขาดอยู่แล้วเลยไม่ได้มาเฝ้าสถานที่ปริญนิพานของพระศ า, าสดาไม่ได้มาเฝ้าพระองค์เนี่ยมันเป็นความ กตัญญูวงเข้าไปเจ้าโดยแท้แล้วกล้าพูดคำนี้ไหมเข้าไเจ้าไม่เห็นคุณไม่รู้คุณใช่ไหมเออเราเข้าไเจ้าเป็นพุทธบริษัทตั้งแต่เกิดนะฮะแต่เข้าไเจ้าไม่ได้มาเฝ้าพระศาสดาหน้าที่ตรงนี้เลยมาวันนี้เข้าไปเจ้ามาสารภาพใช่ไหมเพราะเราไม่เคยตระหนักในพุทธคลาฆวตาเลยไม่เคารพในพระเจ้าเลยบางทีไปก็ไปเพลินๆล้วไม่เคยคิดมุมนี้เลยนะจริงไหม ไม่เคยคิดเลยว่าเออเราต้องการมาเป้าศาสดาของเราพระศาสดาเนี่ยทิ้งขันธภาระตั้งสองพันกว่าปีแล้วเราเพิ่งคิดออกวันนี้เราจะเดินทางไปเป้าครับไปกราบไปขอกลับมาเนี้ไปทําสังเวคะสังเวชญาณนนให้เกิดขึ้นคือญาณปัญญาที่เกิดขึ้นด้วยความสะดุ้งสะเทือนใจว่าพระศาสดาเอกของโลกมาทิ้งขันธภาระเนี่ยที่ตรงนี้ แล้วและเราเนี่ยจะเดินตามรอยบาทพระศาษษสดาอย่างมุ่งมัน่นจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แข็งแรงไม่อ่อนแออย่างที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปิญญาณซะที่ทกลับมามจะได้แข็งแรงจิตใจจะได้ต่อสู้กับบาปอกุศล ธ, ธรรมเวลามมกได้ใช่ไหมจะได้ไม่ยอมงอยอมงอต่อบาปทั้งหลายเนี่ยบาปชักจูงนิดหน่อยก็ไปแล้วเนี่ยพวะเราไม่ได้ไปสมาทานตั้งมันน่นนะ นั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นอะไรเยอะเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ผ้าโ น, นนท่านคิดนม่โอ้โหเราเป็นพุทธอุปถากบดุ ด, ดังเงาตามตัวภาษาสดาก็ปะปริญิพานไปแล้วเรายังไม่ได้เป็นผ้าหลังหันด้วยกอดดีอยู่อย่างภาษาสดาบอกว่าเราจะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงนในไม่ชาใช่ไหมท่านก็เดินจาริกมัน่นพร้อมด้วยสาวกห้าร้อยพร้อมด้วยสัตว์ที่าริกห้า เดินทางมาตามลําดับประชาชนที่ไหลไปพอเจอพระอนนท์เป็นไงร้องไห้ไหมข้าแต่ท่านพระอนนท์ผู้เจริญท่านพระอนนท์เอาพระศาสดาของข้าพเจ้าไปที่นี่เพราะแต่ก่อนเห็นท่านเห็นพระศาสดาเห็นพระศาสดาเห็นท่านแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นท่านแล้วเอาพระศาสดาของข้าพเจ้าไปไว้ไหนพระอนนท์ตอบไม่ได้หรองก พ่อโนนร้องไห้นะตอบไม่ได้หรอกเอาจริงๆสะเทือนใจไหมเออภาษาสระข้าพเจ้าไปซ่อนไว้ไหนข้าพเจ้าต้องการจะเฝ้าต้องการจะเห็นพ่อโนนก็บอกภาษาสาราปริมีพานแล้วท่านไปเฝ้ามีพระรอยอยู่คอยปลอบโยนท่านอยู่ทั้งนู้นเนข้าพเจ้าก็จะไปที่สาวถีเดินไปก็เจอแล้วคณะแล้วคณะเราที่เดินทางไปเฝ้าพระเจ้าพ่อโนนก็ไปแล้ว ทั้งน้ำหมูน้ําตาไหลพอไปถึงที่สาวัถีเนี่ยท่านสะเทือนใจไหมวัดก็ล้างอยากเยื่อก็อขึ้นเข้าไปก็เข้าไปที่พระคันนกุดียังไงมุนพระคันนกุดีของพระเจ้าเคยไปไหมใครเคยไปเนืออย่างนั่นแหละพระคันนกุดีอนะ่ะพอท่านเข้าไปพอเปิดประตูนั่นนั่นก็ไปเห็นเตียงบรรทม ดอกไม้แห้งๆโอ้โหเก็บกวาดไปร้องไห้ไปเก็บกวาดไปร้องไห้ไปนี่เป็นอย่างนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้พระนรลักษพระพุทธเจ้าไหมในอดีตสังสารวัตรนี่สั่งสมอธิยาศัยกันมาอย่างยาวไกลโอท่านสั่งสมที่จะเป็นพุทธอุปถาคเนี่ยสร้างบารมีมาแสนกลับบางข่าวพระนรลเป็นมหาก ร, ริย์ บางค่าวพระพุทธเจ้าเป็นอมาตก็มีเนอะบางภพ บ, บางชาติลงไปดูในชาดกดูนี้เรื่องเรื่องราวต่างๆท่านทันท้งสองดิผูกพันกันนี่ท่านนึงวิริยพานนีอนนโอเคจริงๆนะโอ้โหเก็ยดูกินไม่ได้น้อยไม่เหลือเมตอนนั้ น, นะลิ้ไม่ได้น้อนไม่หลือถึงเวลาก็ออุทานออกมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาที่ ก็้เจ้บริษัทมาเข้าเป้าจะฟังทำคิดได้หมดไหมคนมีสติเยอะๆเนี่ยแต่พอสติระ ล, ลึกได้ปุ๊บโทมนานั่นก็เกิดสติ ล, ลึกได้ปุ๊บโทมนานั่นก็เกิดสติ ล, ลึกได้ปุ๊บโทมนานั่นก็เกิดใช่ไหมเพราะเระลึกได้ก็ดีเป็นบุญนะแต่อกุศลก็แทร ก, กอกุศลก็แทรกใจท่านอยู่ท่านก็เวาาล า, น, านี้ฉันพัะทหารเวลานี้บินธบาตเวลานี้แสดงธรรมจาได้หมดน่ะแล้วกวาดเก็บตรงไหน จนเทวดามาเตือนเนี่ยดูความท่านนั้นุนถ้าท่านโทมนัอย่างนี้แล้วท่านจะเป็นที่ตึับบริษัทเขาได้ยังไงเนี่งท่านได้สติขึ้นมาถึงนั้นนไงฟื้นคืนโศกขึ้นมาได้หรือไม่ได้เยังเลยก็เริ่มจัดการนี่เป็นอย่างนี้นะบรรยากาศในี่ล่ะคุณนี่เราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศตรงนี้ปรากฏในใจง่าไงไปก็เลยไปเอ๊ะตรงนี้โบราณก็ว่างไงไปสื่อควรที่โบราณนวัตถุไม่เห็นธรรมะของภาษาสดานะ ต่อไปเก็บข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมอย่าเพิ่งให้ลมให้ใจขาดนะแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระศ า, ษ า, ษาสดาเนี่ยไปครั้งแรกเราจะอะไไปเฝ้าพระพุทธเจ้ า, า, ด, าดีเอาอะไรดีก็มอบกายถวายชีวิตเงี้ยยังไเตรียมเครื่องสักการะถิ่นเครื่องไปรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เราก็พระศาสดาก็ไปทับอยู่เต็มนะในไทยแนตะ่ทีนี้กายกรรมในขณะที่รับวัตถุอ่ะ นะรับวัตถุเพื่อดำเนินไปบูชาพระรันาตนตรัยด้วยมือของตอนเองตอนนั้นไม่ได้เปล่งวาจากมาเพื่อจะบูชานั้นเป็นทานกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานถ้าเชิญเคลืนบุคคลอื่นไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในผ้าสีทองผ่องอัมภัยนี้การอันนั้นเป็นวัจีกรรมที่เป็นทานกุศลไม่ทํากายแล้วาจายเคลื่อนไหวคิดแต่ในใจนั้นมโนกรรมเป็นทานนกุศลนี่นะกายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลมโนกรรมที่เป็น ทานกุศลนี่เป็นไปแล้วนะแต่นี้กายกรรมที่เป็นศีลกุศลอะไรแต่นี้ยก็ถือผ้าในรักณนณะอื่นนั้นแต่ปารลอะไรปารลข้อปฏิบัติของพุทธบริษัทว่าเจ ต, ตนาว่าข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่ไปเพื่อจะไปบูชาพระาศาสดาเนี่ยใช่ไหมไปปฏิบัติพระาศาสดาโดยการที่ไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปถูเข้าใจไหมไปอุปถากภ์พระาศาสดาไปไหม ไปถึงพระคันธกดีเอาไม้กวาดไปกวาดไปกวาดสถานที่ก็เหมือนเราไปดูแล้วแม่นี่ก็ไปกวาดไปทําบ้างหรือไม่เนี่ยไปเนี่ยเอาผ้าไปกวาดไปเช็ดไปกวาดไปในขณะกวาดไปกายกรรมเป็นอะไรศีลกุศลศีลกุศลเป็นข้อปฏิบัติไงนี่ไงศีลกุศลเดินแล้ว ไปปัดไปกวาดไปเช็ดไปดูแลไปอุปถากตรงไหนเปื้อนล้าก็จะทาข้อปฏิบัติให้ดีตอนนี้ก็ทำต้นพระศีมหาโพธิที่มีอยู่ในบ้านเราบ้างพระเจดีไปก็เลยแบกอะไรดีเอาไม้กวาดไปเอาไม้ถูไปจะได้ไปทำกายกรรมที่เป็นศีลกุศลชวนคนอื่นเอามาช่วยกันนะคุณกวาดตรงนั้นคุณเก็บตรงนี้ตรงนั้นสกปก ภาษาสดานั้นเป็นผู้ชอบความสะอาดเราม า, อ, าอุปถากดูแลภาษาสดาถามะอุปถากปัดกวาดเช็ดถูพระเจดีเนี่ยนะหรือต้นพระีม้าโพเนี่ยอันนี้สงเท่ากันกันกบบูชาหรือไปปฏิบัติพระพุทธเจ้มไหมเท่ากันเลยเอาน้ำไปลดใช่ั้มเอาปุ๋ยไปใส่เอาเอาหารไปถวายใครถวายภาษาสดา นี่ไงเป็นเป็นทานด้วยปฏิบัติเป็นข้อวดัดเป็นศีลกุศลศีลทางกายด้วยเพลงวาจาบอกให้ช่วยกันกวาดตรงนั้นเก็บตรงนี้ทําได้จิตนอบน้อมเป็นวจีกรรมที่เป็นอะไรศีลกุศลคิดในใจว่าเราจะบูชาพทธเจ้าจะอุปถามภ์พรเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างไรเนะแล้วไม่ทํากายวาจายังไม่เคลื่อนไปก่อนนั่นเป็นมโนกรรมที่เป็นศีลกุศล ใช่ทำได้ทั้งหมดเลยนั้นต้องทำตลอดที่เราเอาน้ำบูชาเป็นทา น, นกุศลปัดกวาดทำความสะอาดจะเป็นศีลกุศลแต่เราทำแล้วเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องว่าตรงไหนเป็นทานตรงไหนเป็นศีล น, นี้ยังไม่ได้ขึ้นภาวนากุศลนะเนี่ยมองเห็นไหมยัง